ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีไม่มีอะไรที่สุขหรือทุกข์ยิ่งกว่าใจความโสกปตกก็ดีความสะอาดก็ดีไม่มีอะไรที่สกตกและสะอาดยิ่งกว่าจิตใจความโง่ ก, ก็ดีความฉลาดก็ดี ก็คือใจท่านสอนเลยว่ามโนกุพังคมาธรรมามโนเสถามนโนมายาิ่งทั้งหลายพึควาอยู่ที่ใจพึ้งเห็จแล้วโดยใจนะศาสนาก็สอนลงที่ใจศาสนาออกก็ออกจากใจรู้ก็รู้ที่ใจ พระพุทธเจ้ารู้รู้ที่ใจนำออกจากใจนี้ไปสอนโลกก็สอนลงที่ใจของสัตว์โลกไมนได้สอนลงที่อื่นใดทั้งหมดในโลกธานนี้แคกว้างแค่พนาดใดไม่สำคัญมีจุดหมายลงที่ใจแห่งเดียวใจที่ควรกับธรรมะอยู่แล้วก็เข้าถึงกันได้โดยําหนดที่ทันมา มีปณิสัยนั้นหมายถึงมาผู้คนอยู่แล้วเห็นได้อย่างชัดเจนผู้มีปณิสัยสูงต่างต่างกันอย่างไรพระองค์ท่านทราบดนี้เช่นมีปณิสัยสามารถพิจิบรร ล, ลุถึงที่สุดแห่งธรรมควรจะเสด็จไปโจกดก่อนใครเพราะเกี่ยวกับเริ่มชีวิตอันตรายที่จะมาถึงในการข้างหนักก็รีบเสด็จไปผูกคนนั้นก่อนที่ท่านลาบ ต บ, บาปเบวิโลกาลนัทรงเลี่ยงญานดูสัตวโลกผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาขายคือพยานของพระองค์คำว่าเลี้ยงยานดูสัตวโลกนั้นท่านก็เลียงยานดูจิตใจนั่นเองแต่มันอใดเลี่ยงยานดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นวัตถุอันใหญ่โตมากมายิ่งกว่าคนและสัตว์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 พระองค์ก็สอนนแต่ใจว่าสิ่งที่นํามาสอนนั้นไม่มีอยู่กับใจของตัดโลกมีอยู่ด้วยกันเป็นแต่ยังว่าทั้งนั้นอย่งนั้ทราบถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยสิ่งสโปรกทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วข้างบนไม่มีอะไรที่จะสโสโครกยิ่งกว่าใจสโปรกไม่มีวันสะอาดเลยร่างกายเราโสโปรกยังมีวันชะวันล้างอับ เสื้ผ่าบางเ็นสถานที่สกรประบอกังมีวันชำระซักอบเช็ดถูล้างให้สะอาดสะอ้านไปได้เป็นการเป็นเวลาแต่จิตใจที่สบปกรกด้วยความไม่สนใจกับอ่าโดยเจ้าของไม่สนใจนั่นนั้นสกรประบอกมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสบประบกไปตลอดกาลจนมาทั้งตั้งแต่วันเกิดจนระทั่งถึงวันตายพบนี้ถึงพบนั้นพบไหนก็พบไหนก็มีตั้งแต่เรื่องสกรประบอกพาให้เป็นไป ตะให้เกิดให้ตายเรื่อยๆไปอย่างนั้นหาเวลาสะอาดไม่ได้นั่นอันเดียวสกโตกสิ่งที่โสกโตกมันจะพาไปดีได้ไหมอยู่ก็อยู่กับความโสกโตกไม่ใช่ของดีผลแหความสกโตกก็คือความทุกข์ความลําบากคติที่ไปก็ลําบากสถานที่อยู่ก็ลําบากกำเนิดที่เกิดก็ลําบากมีแต่ของลําบากลาบากหมดเพราะความโสกโตกของใจ จึงไม่ใช่เป็นของดีควรจะเห็นโทษของใจที่สกโปกไม่มีสิ่งใดที่จะโสน่าสยดสยันมากขึ้นกว่าใจที่สกโปกอางอื่นโสกโปกไม่คว่าจะมีครูมีอะไรสอนกันส่วนจิตใจสกโปกนี้ต้องหาผู้สําคัญมาสอนถึงจะสอนไดน้ใครจะมาสอนเรื่องการซักพอกใจิตใจที่สกโปกนี่ให้สะอาสะอ้านแต่ด้านนอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่สรงรู้สรงห็นและทรง สนัดเป็นสลาตายในการบำเพ็ญเพื่อจะรู้ทั้งของกระองค์เองตลอดทุกวิธีแก้ไขแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกให้ถูกต้องตามวิธีที่ทรงบำเพ็ญแลได้เห็นผลนั้นมาแล้วยิงต้องมีครูเนี่ยการสองอย่างนี้นความทุกข์มันก็เป็นผลออกมาจากที่สกปตกนั่นเองออกมาจากความโง่ โง่ต่อตัวเองแล้วก็โง่ต่อสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆตัวงโง่ อ, อยู่แล้วสิส่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ไม่ทราบอะไรผิดอะไรถูกนั่ไม่มชอบใจก็ต้องได้ยึดต้องได้ฟ้าคนเราจรึงต้องมีทุกทั้งๆที่ไม่ต้องการกันเลยแต่ทําไมจึงต้องเจอกันอยู่ทุกแห่งทุกผลทุกเวลาเวลาขอบว่าไม่สามารถที่จะรู้ดีตัวได้ได้วยอุบายต่างๆความฉลาดทั้งตนนั่นแหละจึงต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้า เวลาได้ ร, รับการซักพอ่ออยู่ด้วยความดีทั้งหลายเป็นลําดับลำดับมาทานก็เป็นการซักพอ่อที่ละเลีประเภทหนึ่งศีลก็เป็นการซักพอ่อที่ละเอียดประเภทหนึ่งนะภาวนาก็เป็นการซักพอที่ละเลีประเภทต่างๆรวบตัวเข้ามาอยู่ในองค์ภาวนาหมื่นเรื่องนี้ต้งถือเป็นน้ำพระอาทิตย์ซักพอ่อสิ่งสกปรกมีรบกูงดำอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทั้งแล มีบายวิธีต่างๆพระพุทธเจ้าจึงเนีสอนกันมาเป็นลําดับลำดับลำดาองคนี้ได้ผ่านไปแล้วโนั่นกับมาตรสรู้ตรัสสรู้ก็ตรัสรู้ในธรรมอันเดียวกันความจริงอันเดียวกันเกิดจะแก้ทิเล็กทุนาสว่าของตัดโลกอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นโอวาทจึงเป็นเหมือนๆกันหมดนี่เรานะว่ามีวาสนาได้บรรทุกใทรต่อศีลต่อธรรม ซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดสำหรับชะล้างสิ่งที่สโสโครกซึ่งมีอยู่ภายใ จ, จิตใจของตนเองคนที่ไม่มีความสนใจกับธรรมและไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อศาสนาเหล่านี้มีจํานวนมากมายก่ายกองเราไม่ได้เข้ากับคนประเภทนั้นน่าจะมีจํานวนน้อยก็คือเราคนหนึง่งมีส่วนอยู่ด้วยสาหรับผู้รักใครต่ต่อธรรมในความเชื่อความสงศ์ต่อคําสอนของบระชาทธที่ทรงสั่งสอนไว้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 มีความลักไห้ปล่อยใจในทางการพูดปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความอุตสาห์พยายามผลก็ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความสงบต้มเย็นเป็นความเพลนมีภาระจิตใจเห็นดีว่ารถอะไรต้องสู้ลดหันทําไม่ได้เนี่ยลดหนันธรรมอำนาจสู้รถทั้งหลายคือรถอัว น, นี้ไม่มีจืดมีจางไม่มีเบื่อไม่มีคินมีธาเป็นลดด้วยว่าเป็นความสุขนี่เป็นความนึ่นเรื่งที่ดูดดื่นไปโดยลำหนับกํานา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 ความพอใจของมาเองถึงไม่มาก็บังคับได้เพราะเราบังคับเราบังคับคนอื่นนั่งยากยิ่งกว่าเอาบางังคับเราเร า, เราอยู่กับตัวของเราเองจะบังคับให้ทําอย่างไรก็ได้เอานั่งเพราะนาน ว, วันนี้ก่อนนั่งเนี่ยอา้าเดินจงกรมก็ได้อา้าทําบุญให้ทานอาวรักษาศีลนนะได้ทั้งนั้นเ ร, เราเป็นเจ้าของเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาจิตใจ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 เราให้เห็นประจักษ์ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสันธิฏิโกประกาศอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ว่นพระองค์ประกาศธรรมสอนโลกก็ประกาศเรื่องสันธิฏฐิโกนี้ด้วยกันทั้งนั้นตลอดมาเป็นปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นภายในตัวเองกำลังเรามีมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบผลที่ได้รับพางน้อยเพียงไรก็ทราบอยู่ภายในจิตใจ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 สโสด ก, ก็สโสดก็โสดโสดทุกข์ก็ทุกข์กด้วยกันรู้ด้วยกันทุกคนต่างคนต่างทุกข์ต่างค น, ต, ง ต, งคนต่างรู้ต่างคนต่างนับภาระเหล่านี้ด้วยกันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาแข่งกันได้เราไม่มีทางสงสัยเรื่องนี้อันนี้เอาให้ฉลาดไม่ฉลาดกว่าใครก็าตามข้อนฉลาดเนื้อเรื่องที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเคยหลอกลวงเรามานานเราคลอยตามสิ่งแบบนี้มานานแล้ว ให้พยายามทําความฉลาดให้ทันกับเรื่องของตัวเองเนี่ยท่องขันเมื่อทันกับเรื่องตัวเองแล้วจะจะเรียกว่าชนะตัวเองดังที่ท่านพูดไว้ในหลักธรรมก็ไม่ผิดเนี่ยชนะอะไรก็ตามดังที่ท่านพูดไว้ในธรรมดูชาต่างสาเซณต่างกามมานิเชีเยชินีเอกันจ่าเชมัตตันนางเสวสังกามาชุดตะโมการชนะคนอื่นคุณด้วยล้าน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 แต่นี่มันไม่มีก็มีแต่ขี้โลกจิ้โก้ขี้หลวงว่าไปนั่นนะคาว่ามูดว่ากูดคำว่านี่เสียอ่ะเราแพ้มาแล้วทั้งนั้นนีอ่อความแพ้นี่เป็นของดีหรืออยู่กับผู้ใดไม่ดีเลยคําว่าแพ้นั่งอยู่ก็แพ้นอนอยู่ก็แพ้ยืนอยู่ก็แพ้เดินอยู่ก็แพ้เอหาเวลาชนะไม่มีเลยมีศักดิ์ศรีที่ไหนมีความสง่ะราศีที่ไหนมีแต่ความแพ้เต็มตัวคนเรามีสาระที่ไหน เออถ้าธรรมดาแบบยกโลกเขาเราอยากช้ผูกคอตาอยนั่นแหละเออแต่นี้มันเรื่องธรรมนามันสุดวิสัยเราชอบนะพูดกันน้เห็นอย่างนี้หละเออไม่ยกขึ้นมานี้มันไม่เห็นโทษมั้งนะมาตีพวกเรานี่แหละต้องนักแท้นี่แหละเออทุกครั้งนี่ตังแพ้อย่ เ, ออเราไม่เห็นโทษในความแพ้เรามั้งเหรอนี่วิธีตุกจิตเนี่ยเราหมายถึงวิธีตุกจิตใจของเรา ลรายังจะแพร่ไปนี่ตลอดไปอยู่หรอือแพรแพ้หมดอย่างลุย่ยลุ่ยแพร่อย่างรากอยู่นี่เรื่อยเืยหรอแล้วไม่ต้องการใช้ชนะบ้างเหรอือน่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะออสาวกอรหันหัท่านเป็นผู้ชนะพระเดียจ ะ, จะเจ้าท่านเป็นผู้ชนะไปะโดยลําดับลำดับสถานะของเราทั้งสามพุทธังตมะสนังสนงัสสนงกัจฉานี้ล้วนแล้วตั้งแต่ชัยชนะทั้งนั้นที่เรานึกน้อมถึงท่านตัวเรา แพ้อย่างนาอย่างนาคตลอดเวลาสมควรแล้วเหลือจะเป็นลูกศิทธ า, ธาคตหนักหนักไหวนี่นี่วิธีปลูกจิตจ้ของปลูกอย่างนี้จิตมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมได้กดขี่บังคับได้เหยียบย่ําทําลายลงไปก็ได้ส่งเสริมก็ได้สําคัญที่เราเอ ง, เ, องเป็นผู้หาอบายคิดในแง่ต่างๆที่จะปลูกจิตปลูกใงเราให้เกิดความอาถารพร่าเริง ต่อสู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเอาชัยชนะขึ้นมาสูงตนด้วยอุบายต่างๆดังที่กล่าวมานี่นี่แหละเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าเป็นทางเดินของผู้จะ ก, ก้าเข้าสู่ชัยชนะชนะไปวันละเล็กละน้อยเรื่อยๆไปผลสุดท้ายก็ชนะจนไม่มีอะไรเหลือเลยนั่งอยู่ภัชนะคุณนอนอยู่ภาชนะยูเอียบทใดชนะหมดไม่ว่าแต่ลูกแต่หลานกิเลสปูญ่าแตรายแต่ ล, า ย, า, ตลายกิเลสก็ชนะหมดเนี่ย ทั้งสามโลกธาตุคือว่าสมมติซึ่งเคยผูกพัน จ, จิตใจอันเป็นตัวก่เลสให้เราแพ้มาโดยลาดับชนะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยปัญญาเนี่ยสำคัญมากสติัะปัญญาเป็นธรรมันสำคัญอย่างยิ่งสัมมาสติสัมมาสังก ป, ปขคืนตกนา น, นเอาให้ไดช้ชนะสิ่งที่มันแม่แล้อมเราอยู่ตลอดเวลาค่อยตบค่อย คตกคอยตีเราอยู่ตลอดเวลาคืออะไรรพิจารณ์มันมีที่ไหนเนี่ผมมีแต่รูปเวญนาสัญญาตัญญา้งขันวอย่างนี้เท่า น, านั้นตัวสําคัญยิ่งมีอยู่ตรงนี้ทางหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นทางเดินเข้ามาทางอารมณ์ต่างๆแล้วก็เข้ามาหาพวกสัญญาอารมณ์นี่ซึ่งเป็นกองขันนี่เนี่ยสุดท้ายกับกองขันเนี่ย รบกับเราหรือมันไม่ได้ลบกับกระมาศารคือลาบอยู่แล้วมันก็ะมาศาสรจะไม่ลบอะไรนอนทับถัายลาดไปลยมันก็เห็นมีปัญหาอะไรเพราะยอมอย่างรับข่าวแล้วนี่ที่เราจะไม่ให้เป็นดังนั้นนี่เราแก้แก่ตัวของเราเราจะให้เป็นเท่าที่เป็นมาแล้วเวลานี้เราได้ศาสตร์อาวุธคืออัตธรรมสติปัญญาเราจะต่อสู้ที่จะมา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 ไปเรื่องประเสริฐสุดในโลกพระพุทธเจ้ า, จาก็ชนะแบบนี้สาวกอรหันหลานท่านชนะแบบนี้ท่านเป็นผู้ไม่ก่อกรรมขอเวรนอกจากนั้นจัดโลกยังได้อาศัยท่านโดยลําดับมาจนกระทั่งบัดนี้นี่ท่านออกชนะตรง น, นี้เอาพิจารณามันเคยหลงอะไรอยู่อยู่เวลานี้พิจารณาให้มันเห็นชัดชิงด่านี้ไม่ปิดบางนี้รับมีอยู่ภายในตัวของเราร่างกายก็ ต, ตัวเราอยู่ตลอดเวลาเกิดนั่นปวดนี้ความสลาย ความแปรสะภาพแปรที่ตรงไหนสะเทือนที่ตรงนั้ น, นแป่ไปเท่าไหร่ก็สะเทือนมากขึ้นมากขึ้นเวทนากับความแปรสะภาพมันเป็นคู่เคียงกันอะไรยิบยีผผิดไปนิดหนึ่งเวทนาจะเตือนบอกขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เ, เตือนบอกสติปัญญาของผู้ปฏิบัติของผู้ตั้งใจจะส่งเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อรู้เท่าทันกับสิ่งแบบนี้แลสิ่งนี้จึงเป็นเหมือนธรรมเทศนาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่จําเป็นจะต้องแอบพราท่านคืนธรรมาะนาโมตัสสะพระก็ตัว จนั้นนี่เป็นธรร ม, <c oughs> มเทศนาสอนเราอยู่ตลอดเวลาอ้าวทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนตั้งธรรมะที่ตรงนั้นนี่ใช้กันพุทธชาวิสัชนากันลงไปนี่เนี่ยเทสองธรรมะ <c oughs> ระหว่างขันธ์กับจิต <c oughs> ขันธ์ใดก็ตามผู <c oughs> ้ประขันเวทนาขันธัญญาขันทั้งขันขันวิญญาณขันเนี่ยพุทธชาวิสัจนากันให้เข้าใจชัดเจนตามสิ่งแบบนี้ที่มีอยู่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 ต้องให้เป็นยอดแห่งความรู้ที่จะแก้ไขสิ่งสถานการณ์ซึ่มีอยู่กับตัวของเหล่านี้ให้รู้ตามเป็นจริงโดยลําดับเนี่ยเราพบกันวันนี้วันห้างมาพบกันบกหร่องมาแล้ววันขาดไปเท่านั้นวันขาดแต่ที่ชั่วโมงผู้อยู่ก็ขาดผู้ไปก็ขาดกลับมาก็ขาดผู้อยู่ประจําที่ก็ขาดต่างคนต่างขาดไม่แต่ต่างคนต่างบกหร่องไปทุกวันทุวันขาดไปทุกวันทุวันแล้วขาดไปจะไปถึงไหนไมันก็ถึงที่สุดจุ็หมายปลายทางแห่งความขาดสะบั้นเท่านั้นเอง เนี่ยมันต่างกันแต่วันเมื่อกับแพียงที่ล่วงไปวันนั้นมันนี้เท่านั้นอ่ะช้าเร็วต่างกันมีนิดเดียวเท่านั้นจะต้องไปถึงความขาดสะบ้านเช่นเดียวกันหมด <onos. S 2> เวลานี้ยังไม่ขาดเป็นตเพียงว่าเตือนเรานาทีเตือนวินาทีเตือนชั่วโมงเตือนหมดไปเท่านั้นวินาทีเท่านี้นาทีเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นวันเ <oro. S 2> ตือนอยู่เสมอเท่านั้นปีเลื่อยเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเลื่อยไปจุดท้ายก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมด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 ทวาเพียงที่จะทําท่านเป็นประโยชน์จากตนควรทําเสียนในวันนี้บัดนี้ให้จะรู้เรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไหร่แน่ทันว่าไว้นั่นบอกไม่ให้เราประมาทนาพิจารณารูปมันเหลืออีกเท่าไร่เวลานี้มันเก็บก็ยังเหลือมีเหลืออยู่บ้างเออมันสลายหรือมันแปลสภาพไปส่วนที่ยังอยู่ก็ยังมีอยู่บ้างพยายามพิจารณาให้ทันข้าเจ้าการที่มันยังเหลืออยู่มันรู้เท่าทันด้วยปัญญา เวทนาตั้งลงพิจารณาให้มันชัดเจนเรื่องเวทนามีเท่าเวทนาที่มีนั้นแหละไม่เลยจากนั้นผู้รู้รู้ไปหมดมันจะเท่าครูเขานี่ผู้รู้สามารถจะรู้เรื่องเวทนาเท่าครูเขาไม่มีอนไดที่จะเหนือผู้รู้ไปได้มันจะใหญโตขนาดไหนเรื่องทุก ท, ท, ท, ท, ทุกเวทนาอ่ะมันจะเหนือความรู้ในตัวไหน ไ, ได้ความรู้จะครอบเวทนานั้นหมดนี่ถ้าความรู้มีสตินะถ้ามีสติก็เลื่อนลอยเหมือนกับ ว่าไม่มีเชือกเชือกขาดนีแ่แต่มันจะไปทางไหนนี่เราไม่ใช่ผู้ว่าเชือกขาดเรามีสติปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามเป็นจริง เ, เกิดก็เกิดขึ้นมาเรื่องทุกขเวทนาเป็นธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยู่แล้วเราเป็นผู้เป็นนักธรรมะเอาฟังด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาให้เห็นชัดตามความจริงข้องหมัดแล้วแยกตัวออก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 แล้วปล่อยวางพร้อมกันหมดไม่ว่าจะปล่อยวางแล้วในส่วนไหนยังยังทุกข์ขังยังตาไม่ให้พิจารณารอบแล้วมันปลอดตร้พร้อมกันบริสุทิ์พร้อมในขณะที่ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงความบริสุทไม่ต้องไปถามหาจากไหนนั่นแหละคือความฉลาดเต็มภูมิที่นี่ความสะอาดเต็มภูมิด้วยความความฉลาดเต็มภูมิด้วยความสุขเต็มภูมิด้วยอความโซคบกหายไปความโง่หายไปความทุกข์หายไปหายที่ตรงนี้แหละตรงที่แบกทุกแบบความโง่แบบ ความโกลกปกนี่แหละสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเพราะอํานาจแห่งปัญญาอํานาจแห่งสติอำนาจแห่งความเพียรเป็นธรรมชาติที่ฉลาดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยผู้นี้แหละเป็นผู้ไม่หมดไม่สิ่นอะไรจะหมดก็หมดไปตามสมมบูิยมร่างกายจะหมดก็หมดไปเออชีวิต อ, อ่ะเทศนาสัญญาสังขารมีการจะแปลสภาพไายในแปลไปเถอะเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นจะเป็นไปตามธรรมราของเขาซึ่งเข า, ามีความหมาย ไม่มีความรู้สึกเขาเลยว่าเขาได้แปลไปนี่จะจิตข้งเราไปรับทราบมาเขาว่าแปลไปถ้าไม่ยึดไม่ถือก็แล้วเพียงรับทราบเท่านั้นแล้วก็ไม่แบกทุกข์กับความยึดถือในใดทั้งหมดแล้วก็สุขสบายนี่แหละท่านมาเอกังจ ะ, ะเชิยมัตตานังตะเวสร่างงา ม, งมดุตโมไม่ก่อกรรมก่อเวรกับผู้ใดทั้งหมดแม้แต่กับขี้เล็ก็ไม่ก่อขีิเหล็แพ้เรากี้เหล็กไม่มาเกาะก่ อ, เ ร, กอเราได้เหมือนอย่างคนแพ้คนเราชนะคนชนะอะไรก็ตามก่อกรรมก่อเวรได้วันยั่นคํา ฐานะไปมากเท่าไรก่อกรรมนะคิดดูคูณด้วยพันนั่นแหละคือความก่อกรรมก่อเวนกคุณด้วยล้านอ่ะก่อกรรมก่อกเวนด้วยล้า น, นอันนี้ไม่มีเลยความสมายคือความชนะตนเท่านั้นนี่เป็นจุดสําคัญของผู้ปฏิบัติถะหาศาสนาใดมาสอนพวกเราให้เห็นขนาดนี้รู้ขนาดนี้แล้วจะให้ผูดด้ใดเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นอย่างที่ว่านี้นอกจากเราเท่านั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติ ขนาดตัวเราเองเออพ่อโง่ก็เราเป็นคนโง่เองจะหาความฉลาดให้ตนด้วยการแก้ความโง่ออกก็จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เราพวกก็เราเป็นคนพุกเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความฉลาดให้เป็นความสุขขึ้นมาทางจิตใจนี้ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงมาได้นั่นเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นไม่งั้นพระพุทธเจ้าหรือสาวุทั้งหลายท่านจะเป็นถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าธรรมะถ้าล้างสิ่งตัวกปกไม่ได้ด้วยความสามารถของเราเนี่เราก็เป็นผู้หนึ่งในพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกต้าหลักอของพระพุทธเจ้า ถึงจะมีมากคนก็ขอให้เราเป็นคนหนึ่งเถอะในคนจํานวนน้อยน้อยนั้นนะเราถือว่าเป็นผู้มีส่วนในผู้ต่บริ ษ, ษัทอันแท้จริงลูกของผู้บริาคก็คืออย่างนี้เองผู้บริจาเดินยังไงเราเดินแบบจิิตมีครูรู้ยังไงเรารู้แบบจิตมีครูเนี่ยรู้แบบครูโดยลําดัำดำบแบบนี่แต่ว่าการดันทำวันนี้ต่างหูมากสมควร อาจจะติดแยกัน